ราชมงคลธัญบุรีเพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บรุรีศูนย์รังสิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 วิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรี am, a i r f อ็มเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life ค่ะนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะสําหรับวันนี้ก็พบกับดิฉันกุลกนิททองเงาเช่นเคยค่ะสําหรับนวัตกรรมในวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยการเกี่ยวกับการเปิดนวัตกรรมข้าวเหนียวหมูย่างผ่านสเตอริไลดนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นเราจะได้พูดคุยกับดรอัศวินอมรศิน์อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเราจะมาทําความรู้จักกับ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 คุณผู้ฟังคะ innovation for life ในวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับนวัตรกรรมเข้าเหนียวหมูย่างกันนะคะซึ่งเนื่องจากที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดพายุเรียกว่าพายุโพดุลและ Depression ค่ะดีเพรสชั่นคาจิกิที่ทําให้ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสานและล่าสุดก็น้ําท่วมหนักที่เรารู้กันคือที่จังหวัดอุบลราชธานีทําให้เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคและก็บริโภคกันนะคะแล้วก็เกิดมีนวัตรกรรมขึ้นมาซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้คิด ค้นข้าเหนียวหมูย่างนะคะผ่านสตเตอริไรต์ที่ไม่น่าเสียในโครงการกล่องข้าวน้อยให้แม่อีกสักครู่นะคะเราจะได้พูดคุยกันซึ่ง ข, ขอต้อนรับแขกรับเชิญค่ะดอรอัศวินอมศิลค่ะอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสต ร, ร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคามสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่า น, นครับผม อาจารย์คะในข้อมูลที่ที่อ่านนะคะมีทั้งข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวหมูทอดสรุปอยากให้อาจารย์ได้ได้เล่าให้ฟังค่ะตกลงว่าอาจารย์ได้พัฒนาข้าวเหนียวในรูปแบบไหนเป็นหมูย่างหรือเป็นหมูทอดหรืออะไรยังไงอะคะขออนุญาตให้อาจารย์เล่าจุดเริ่มต้นก่อนก็นกนกนได้ค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าะจะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างหรือข้าวเหนียวหมูทอดหรือในปัจจุบันมีข้าวเหนียวไก่ด้วยนะครับก็จุดเริ่มต้นเดียวกันก็คือเราอยากจะถนอมอาหารให้เขา อยู่ได้นานโดยไม่นั่งเสียเลยระหว่างการเก็บกับการขนส่งนะครับซึ่งสม้งหมดเนี่ยปกติเราคาดเชื้อให้เพียงพอที่ินมีอายุได้อย่างน้อยสองปีนะครับแต่ก็คาดหวังว่าให้เขาบริโภคเร็วๆเนี่ยนะครับ ก็คือทั้งหมูทอดหมูย่างไก่ย่างก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยอ า, อาจารย์บอกว่าผลจากข้อมูลที่อ่านมาก็คือเป็นโครงการที่เกิดมาจากภายัย อ, อุทกภัยน้าท่วมชีวิกฤตที่จังหวัดบุรา ช, ชานีอาจารย์ก็เลยได้คิดค้นในส่วนของนวัตกรรมนี้ขึ้นอยากให้เล่าถึงที่มาในโครงการกล่องข้าวน้อยให้แม่คะ่ะอาจารย์ว่าทําไมถึงชื่อนี้อะคะ อ, อาหารที่เป็นอาหารดีสอรเท้าเนี่ย คโนโลยีนี้ก็มีมานานแล้วนะครับเกี่การจะปรับประยุทธ์ใช้ให้ทันท่องทีอาจจะไม่เพร่หลายในบ้านเราในความที่บ้านเราไม่ได้ค่อยเกิดเพศภัยหรือเราไม่ได้ส่งอาหารไปในที่ไกลไกเหมือนกับต่างประเทศนะครับอาหารในมอ e, เนี่ยมี New ready to eat น, นะเป็นอาหารที่สปอร์ตสภาวะของการไปรบของทหารในสมัยก่อนนะครับหรือม้กระทั่งการส่งไปในภาวะฉุกเฉินตอนเกิดเหตุทุกข์ภัยนะครับอตอนที่เกิดน้าท่วมที่อุบลเนี่ยเรา เราก็นึกทันทีว่าที่แรกก็รับโทษไน้อยนะครับแต่ก็มันขยายวงกว้างเลยเรารู้เลยว่าจะต้องเกิดปัญหาทาด้าน food security หรือว่าปัญหาด้านขางไม่เพียงพอของอาหารแน่ๆนะครับเราก็เลยคิดด้วยแล้วคนจะทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับก็เลยนึกถึงอาหารากลุ่มาหารเนื้อวขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับในความที่เราก็เคยมีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒน า, า, าอาหารประเภทนี้อยู่แล้วก็เลยมารวบรวมว่าจะทําอะไรดีก็มาลงตัวที่ข้าเหนียว กับหมูีนความที่เ้าเหนียวเนี่ยเขาบริโภคคุ้นเคย อ, อยู่แล้วเนีพระอิศานะครับแล้วก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกับหมูก็เหมือนกันนะครับที่เมื่อประกอบกันแล้วก็จะให้พลังงานสูงแล้วเราก็อัดแน่นนะครับในบรรจุภัณฑ์ดีถอดเพ้าซึ่งเป็นของมร้อนที่สูงเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับของข้าวเนีเล็กๆนะครับ <S <S <S <S ที่ทอบริโภคละอิ่มนะครับมันจะไปพ้องกับอของของ้อวเหนียวขาแม่ซึ่งเป็นอ เรื่องราวที่เกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงสทอนนะครับที่มีคนสุอลูกชายสุด ป, ประมาทของข้าน้อยเล็กๆที่แม่มาให้แล้วพ่อทำมาถูกคาดนะครับแต่ว่าข้าน้อยของเราเนี่ยก็เป็นของเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจแน่นด้วยข้าวที่เพียงพมอสำหรับการบริโภคไม่ต้องไม่ต้องกังวล น, นะครับอือค่ะ อาจารย์ขาที่ที่บอกว่าเป็นในส่วนของอาการานวัตกรรมข้าวเหนียวเนี่ยค่ะ อ, อยากจะถามอาจารย์ว่ามันแยกส่วนไหมคะระหว่างข้าวเหนียวกับกับวัตถุดิบอย่างหมูอย่างไก่่ค่ะมันมันมีกระบวนการยังไงอะคะในขั้นตอนการเตรียมอาหารที่จะก่อนมันุลงบรรจุจพั์เนี่ยก็มีการเตรียมอาหารที่แกต่กางกันอยู่แล้วนะครับอยูข้าวเหนียวแล้ก็ไปแช่น้า เราอีกตัวก่อนคือเสร็จแเราก็มานึ่งตามกระบวนการนี้ตามปกตินะครับเปียนเหมูก็เหมือนกันนะครับเรามาเนื้อหมูม า, มาประมาณหนึคืนเสร็จแล้วเราก็มาทําให้ตับนะครับแล้วก็มาผสมกันนะครับโดยเอาเนื้อลด้านล่างแล้วก็เอาหมูไปด้นบน เ, ลเลนวลาเราคํานวณหาระยะเวลาค่าเชือ้อตามหลักเทคนิคของละล่านที่จิดที่ตายเนี่ยเราก็จะคํานวณหาจุดที่ร้อนช้าที่สุดครับเพื่อเอาไปคํ า, านวณตาการฆ่าเชื้อหรือการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการเพื่อใ้เข้าอยู่ได้นานครับก็หลังจากนั้นแล้วก็อถึงจะประเมินว่าอาหารของเราเนี่ยมีอายุกานเก็บเหมนที่เราตั้งใจไปไหมนะครับณวันนี้นะครับเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าอาหารผลิตตั้งแต่24เดือนณวันนี้เนี่ยอาหารก็ไม่นองเสียทั้งแม้ว่าจะถูกเก็บไว้ที่นุณหภูมิสูงอรือที่ร้อนๆนะครับเขาก็ยังอยู่เพรว่าปกติแต่เวลาผลิตภัณนั้นถ้าผลิตภัณฑ์กินเขาก็จะ่แข็งๆหน่อยถ้าใส่ในตเว็นถ้าเป็นนาทีอ่า จะเจาะรู น, นิดนะครับหรือเอาไปต้มในน้าร้อนประมาณ 3-5 นาทีเขาก็จะข้าเหนียวก็จะกลับมาอันนุ่มๆมันเด้งอือค่ะอาจารย์คะแล้วข้าวเหนียวที่ว่าที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อรีไรต์แล้วเนี่ยคะ่ะมันจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเ ห, เหมือนเหมือนข้าวเหนียวที่เราทานปกติหรือว่าจะจะจ ะ, จะแตกต่างไปไหมคะรวมถึงหมูรวมถึงไก่ด้วยคะาา่ะคุณภาพทางด้านเนื้อสันผัดเขาอาจจะได้ลง นะครับคุณภาพทางด้านน้ำผัดพรอยจะลดลงแต่ว่าคุณค่าทางอาหารนั้นใกล้เคียงกับของเดิมครับจะว่าวที่ไม่ปกติแบบนี้นะครับอาหาราเราคงจะมองหาความอร่อยจากอาหารประเภทนี้เนี่ยจริคงๆไม่ใช่แต่ว่าเราเน้นที่การได้รับพลังงานที่เพียงพอแล้วก็เมีอาหารที่พอจะประทังชีวิตได้รงาสถานการณ์ที่ดีขึ้นเราวิถีปศุสตวนั้นครับอืแต่จุดยังไงก็ตามนะครับเมนูใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นเมนูข้าเจ้า ซึ่งประอกอบด้วยข้าวผัดไ ก, ก่สัตว์ร้กับข้าวผัดไกห่หางโจซึ่งจะเป็นเมนูข้าเจ้าซึ่งก็จะร่วนกว่านะครับมันใป้นคนที่มัธยฐ า, น, านการบริโภคข้าเหน่งก็สามารถจะประทานข้าเจ้าได้เช่นกัน อืมค่ะในส่วนที่ข้าวเหนียวที่ส่งไปเรียกว่าจะรับประทานเนี่ยก็สามารถฉีกแล้วก็หเหมือนเหมือนเปิดกล่องแล้วก็รับประทานได้เลยปกติเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าจะาต้องการอุ่นก็ใช้อุ่นในไมโครเวฟได้ปกติแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ติดฟังครับถ้าต้มในน้ำร้อนออก็เอาไปต้มน่องถุงอะไรก็ได้ครับอืมก็เขา<อ>จะฝ่องฝ่องนะครับแล้วก็เอาออกไม้ข้าวเย็นแล้วก็แล้วก็สามารถฉีกรับประทานได้ พลาสติก ท, ท, ที่เจอเจความร้อนนั้นจะไม่เป็นอันตรา ย, ยครับแต่หลายคนกังวลว่าพลาสติกเจอความร้อนจะนั่งจะนี่จะเป็นอะไรไหมอันนี้เป็นพลาสติกพิเศษนะครับเป็นเป็นพลาสติกที่มีหลายชั้นเขาสามารถทนความร้อนได้สูงแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคนะครับเป็นวัตถุดิบใช้ในสารอาหาครับอค่ะก็ถ้าจะพูดว่าโอเคแหละเป็นเป็นข้าวเหนียวหมูทอดสําเร็จรูปก็ก็ว่าได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะสามารถมีอายุอยู่ได้ประมาณ2ปีไหมที่ที่เห็นในข้อมูลนะคะอาจารย์คะ ติ้งครับติั้งครับถ้าถ้าเขาเสียเนี่ยปกติอาหารเหล่านี้ถ้าถ้าค่าเชื้อไม่พอเนี่ยแล้วในเวลาประมาณสามวันนึ่งสัาดาหเนี่ยเขาจะปรากฏออกมานะครับก็จะเป็นโปรปองนะครับเขาจะโปรแล้วก็บวมแล้วก็แตกแล้วก็จะมีสีซึ่งซึ่งถ้าเกิดสภาวะนั้นขึ้นเนี่ยต้องต้องทิ้งทันทีครับอย่าไปอยิบรับปานนะเพราะหยิบรับประทานนั้นไม่ไม่สามารถกำจัดความอันตรายจากสารพิษที่เสื่อมไปแล้วได้แล้วก็ถ้าถ้ามีการพิษองนี้ถ้าถ้ามันมีสารพิษจะจุ่มที ปกติค่ถ้าาดินาะว่าปกติเขาจะเป็นท่ปกติเป็นดนนะครับก็แปลว่าอาหารนภาวะดีค่ะอาจารย์คาะงั้นจะขอให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งได้ไหมคะว่ากระบวนการการเรียกว่านำเข้าสู่กระบวนการค่าเชื้อสไลด์ของกระบวนการผลิตข้าวเหนียวสำเร็จรูปเนี่ยค่ะ มีมีอะไรบ้างะคะอาจารย์พอสรุปให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะหลังที่เราเอ่อบรรจุหมูเอ่อครับเราจุ่ข้าวของหมอใส่ในถุงถุงเผาแล้นะครับเราก็ติดตัสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปสืบหม้อ่าเชื้อหม้อ่าเชื้อ น, นี่ถึงหม้อ่าเชื้อที่เศนะครับีเรียกว่าโทหม้อเนแรงดนจากคนแรกีกับหม้อเนื้อแรงดนที่อยู่ตามโรงพยาบาลหรือม้อนึ้อเ็นะครับก็จะมนระบบที่คับคอนกว่า เราจะฆ่าเื้อที่อุอหภูมิ120าเตามระยเวลาที่เรากําหนดครับซึ่งเจะมีค่าสาขานค่าเชื้อตรวจไอจามติดไม้นะครับจากนั้นเราถึงจะหม้อฆ่าเชื้อแล้วก็ทนติดแสงไปนะครับขั้นตอนการควบคุมหม้อฆ่าเชื้อครับเป็นการออกแบบดีไซน์เนี่ยต้องทําโดยที่ที่มีความรุนแรงนาดพิเศษกว่าเราเองนั้นผ่านการอบรมแล้วก็มีมาตรฐานด้านี้มาบอกนะครับก็ก็เลยทําได้เลยที่นี่ค่ะ อาจารย์คะเท่าที่ฟังดูนี่ส่วนประกอบหรือวัสดุที่สำคัญคือหม้อค่าเชื้อแล้วก็ถุงที่ใสใช่ไหมคะถุงที่บรรจุข้าวถิกตครับถูกตครับตครับมันจะไม่ใช่ธรรมดาที่เราหาซื้อได้เป็นตลาดแต่ว่าก็สามารถสั่งได้ตามที่ผลิตที่จำหน่ายตามออนไลน์ได้เช่นเดียวกัปัจจุบันนี้แค่ร้านนะครับระขาราคาพมแพงครับ้าสิบิบิมชั้นราคาประมาณมบาทครับกลงหน่อยตามขึ้นูงกับปริมาณการซื้อ แตะมนรืงอนราคาั้งแตแครับราคาเหลักล้านหลายๆ้านก็มีครับคือแบบขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับล้วก็ยังต้องมีแหล่งําเนินไถน้ำด้วยนะครับปกติมหาอะไรมหาวิทยาลัยที่มีการสอนด้านเศรษฐศาสต์เนี่ยเขาจะมีมันรอร์อ่าแล้วนะครับที่สอนการค่าเชื้ออาหารค่าิตที่รสงครับอืมค่ะ แน่นอนแล้ว่าที่อาจารย์บอกว่าไ อ, ไ, อไอ้วัสดุที่เป็นหม้อที่จะฆ่าเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีราคาหลักล้านฉะนั้นในโซนที่ในส่วนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาหารและโภชนาศาสตร์เนี่ยก็ส่วนมากก็จะมีอยู่แล้วแต่คนทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปถ้าจะนําไปใช้ในส่วนของเป็นเป็นเรียกว่าประกอบธุรกิจก็อาจจะจะค่อนข้างที่จะจ ะ, จะจะค่อนข้างยากหน่อยใช่ไหมคะอาจารย์ ครับต้องต้องว่งขึนครับเพราะนั้นมันถึงมีข้อจํากัดว่ามีเฉพาะไม่กี่โรงงานเนั้นที่<ม>เป็นงานแบบนี้แต่ก็โชคดีนะครับที่เดี๋ยวเราเราได้รับความนึกข้อจากโรงงานจีตษ า, านะครับคือแท็กซี่เทียมอามหารจากกรมอาหารที่จีน อ, าาอังคายครับเป็นแบบอีเบสที่เป็นปลาคารที่ช่วยผลิตอาารให้ครับที่ทําให้เราเอสามารถผลิตอาหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถนําไปแจกจ่ายซึ่งรอบที่สองเนี่ยมีอาหารไปแจกจ่ายหนึ่ง ยีชิ้นนะครับโดยจะไปลงที่โรงพยาบาลค่าศึกที่โตในวันเกิดวยี่สิบเอ็ดกันยายเดือนนี้นะครับค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของนวัตกรรมนี้แน่นอนหละว่าอาจารย์ตั้งใจกับทีมงานเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วในส่วนอื่นๆนะคะในอนาคตอาจารย์คาดว่าจะต่อยอดเอผลงานนี้อย่างไรบ้างนะคะเอ่อใกล้ที่สุดก็คือเราก็จะมอบหมายให้ยี่สิบนะครับไปทํางาน ใจกันได้ น, น, น, นะครับเช่อลงทุนเนธุนิอื่นนะครับ่างนั้นก็เป็นอุตาหกรรมอืไน้นะครับจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยใ น, ใในลองเดียวกันนี้ที่มหาลาัยอื่นด้วยนะครับหรือว่าวข้อจากัดการมาแยกเวลาแล้วก็ประมาณแต่าจะไม่ได้สามารถทำในอย่างพันทะะ 1, ุ่ทีครับแต่เราจะเ ต, ะ ต, ตินว่าอ่โรนละครเราเองเนี่ยคือต้ัใจแล้วก็นศึกษช า, าช่วยกสื่อรช่วยกนแลเวสามารถปฏิบติาได้นะครับก็ถ้าสมมติว่า ในอนมเนลกปัสกทีให้กอเนี่ยีิปอที่ขนาดใหญ่ขึ้นการสมัยขึ้นนะครับเราถ้ดีดีที่จะเป็นตัวกลางการทาอาหารสอมาอีเนี่ยเพื่อจะสกอดหรือช่ยเหลือเทายที่เกิดขึ้นได้พูดเป็นติดอาสต่อไปนะครับค่ะอยากให้อาจารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคุณสมบัติ ประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของนวัตกรรมที่อาจารย์และก็ทีมงานพัฒนาขึ้นค่ะอาหารนี้นะครับเป็นอาหารอที่ไม่นองเสียเนระหว่ังการติดและการทนต่ครับเนียนี้เหลือน้อยสองปีแล้ก็มีคุณค่ากันอาหารใกล้เคียงกับของเดิมครับมีการเปลี่ยนแปลงด้อยลงบ้างครับเป็นอีู่กับกระบวนการผลิตของต้นผักบุ้งผู้ชายแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นอาหารที่ช่วยให้ แป็ละประกันว่าเอเป็นพื้นที่ว่าถ้าเกิดกาเป็นการ ล, านานลักษณะแบบไม่ขึ้นถ้าเรามีพื้นที่ใน เ, นเนรนื่อนี้นครับก็จะสามารถเช่วเหลือพิภายได้อย่างทันท่วงทีครับหวังว่านะครับเร่องเรานะครับรรจะเพิ่มการถูกเสริมครับแล้วก็มีพื้นที่พิจารองไว้ในระดับนี้แลอคือการแนะนำพื้นที่ครั้งครับค่ะ อาจารย์คะสําสหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งสองคนนี้อยู่อาจจะมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้พูดคุยหรือว่าดิฉันไม่ได้สอบถามแล้วมีข้อคําถามเพิ่มเติมหรือสนใจข้อมูลจะติดต่อสอบถามไปที่ไหนอย่างไรคะจริงๆแล้วถ้าติดต่อเฟซบุ๊กผมนะครับอาจารย์เกรนะครับอัศวินอมรจรินนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรผมก็ได้นะครับแปดสามสามห้าสาม ไม่เป็นเบอเบอรเป็นตัวอะไรนะครับพัดพัดมาในคิวเตอร์ก็ได้เด็กๆครับก็สามารถปิดติกันได้นะครับหรือผ่ามข้อส่สายได้ครับอือค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลและทําให้เราได้รู้จักกับนวัตกรรมข้าวเหนียวหมูย่างหมูทอดหรือไก่ย่างอ่นะคะที่สามารถมีอายุใช้งานหมายถึงว่าเก็บ รักษาอยู่ได้2ปีค่ะก็ถ้ารายละเอียดต่างๆถ้าจะาถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามไปได้ตามที่ดรอัศวินได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะสำหรับการพูดคุยในวันนี้ในรายการ Innovation for Life และในวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วขอบคุณอาจารย์ดรอัศวินอมรศิลป์อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกี่ยวกับ วัตกรรมข้าวเหนียวหมูย่างผ่าน t เตอร i ไ e ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากมากค่ะครับ ส, สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life